้อนิ้วในเมืองนรกมีจริงหรือไม่ได้มีสมาชิกบางท่านเขียนจดหมายมาเป็นเชิงต่อว่าว่าทำไมโอปปาติกะที่เป็นผู้ตอบปัญหาจึงไม่มีที่เป็นคนไทยบ้างข้าพเจ้าได้เคยตอบไปแล้วว่า โอปปปาติกะที่สามารถจะให้แสงสว่างในเรื่องโลกของโอปปปาติกะนั้นมีหลายท่านมีทั้งที่เคยเป็นคนไทยฝรั่งอินเดียจีนและชาติอื่นๆอีกแต่เนื่องจากหน้ากระดาษของเราจำกัดและการที่จะถามเรื่องอะไรเราก็ต้องดูว่าท่านถนัดทางไหนไม่ใช่ว่าท่านจะตอบได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่แล้วมาจึงมีแต่พ่อฤษีสราากัสแต่อย่างไรก็ดี สำหรับในฉบับนี้ข้าพเจ้าได้ขอความการุณาจากท่านครูบาสีวิชัยผู้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพเป็นผู้ตอบซึ่งท่านก็ได้กรุณาให้คำตอบเท่าที่ท่านสามารถจะให้ได้และท่านได้สั่งไว้ด้วยว่าเท่าที่บอกมานี้ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเป็นแต่เพียงบางส่วนและก็เล็กน้อยมากที่ท่านได้ไปเห็นมาและการบันทึกเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทาต่อหน้าบุคคลหลายๆคนอย่างที่เคยทาและไม่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ เรื่องนี้ได้มาจากการสนทนานกับท่านเพราะความอยากรู้ของข้าพเจ้าและเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านมีดังนี้คําว่านรกที่แบ่งเป็นขุมๆคําว่าขุมในที่นี้หมายถึงอะไรถ้าพูดตามภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจก็ต้องนึกว่านรกมีสภาพเป็นหลุมลึก หรือเป็นบ่อใหญ่อะไรทำนองนี้ท่านได้อธิบายให้ฟังว่านารกที่ท่านได้ไปเห็นมาไม่ได้มีสภาพเป็นหลุมแต่มีสภาพเป็นเสมือนหนึ่งถิ่นหรือที่อยู่ซึ่งมีภูมิประเทศคล้ายๆ้ายกับในโลกมนุษย์แต่ว่ามันแห้งแล้งและกันดาลมากคนที่มีจิตใจอย่างเดียวกันหรือมีนิสัยอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งกฎของกรรม ก็จะทําให้บุคคลเหล่านี้ไปอยู่รวมกันเป็นพวกๆและคําว่าขุมก็หมายถึงถิ่นถินหนึ่งหรือแดนแดนหนึ่งของพวกนรกนั่นเองพอท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังเช่นนี้ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกเพราะในขณะนั้นทําให้ข้าพเจ้านึกถึงพุทธพจน์ที่ข้าพเจ้าเคยอ้างมาแล้วได้ทันทีกล่าวคือ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนเมื่อเข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนเช่นนี้เขาย่อมกระทบกับผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งการเบียดเบียนเมื่อเขากระทบกับผัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลาย จากพระไตรปิฎกเล่มที่21หน้า314ี่ที่ข้าพเจ้าขนลุกก็เพราะทำให้เกิดความเปลื่มปีติที่มองเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกสลดสังเวชเพราะนึกขึ้นมาได้ว่าคนในโลกส่วนมากแม้กระทั่งผู้ที่เคยบวชเรียนเคยศึกษาในทางพระพุทธศาสนามามาก แต่ที่ไม่เชื่อว่านรกมีก็มีอยู่ไม่น้อยเลยท่านครูบาสีวิชัยท่านอธิบายเพียงแค่นั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกสว่างขึ้นมาทันทีและเชื่อสนิททีเดียวเพราะโดยปกติข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องกฎของวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องการจุดติและปฏิสนธิดีอยู่แล้วพอท่านพูดว่าพวกที่มีนิสัยอย่างเดียวกันก็จะไปอยู่ร่วมกันข้าพเจ้าจึงเข้าใจทันที แต่ท่านก็ยังอธิบายต่อไปอีกว่าเท่าที่ท่านไปเห็นมานั้นพวกที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวคิดจะเอาเปรียบกันพวกเหล่านี้เมื่อไปอยู่ร่วมกันในถิ่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็จะเอารัดเอาเปรียบกันและในถิ่นนั้นก็แรงแค้นอยู่แล้วเมื่อพวกเหล่านี้ทุกคนมีนิสัยเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนจึงมีอยู่ตลอดเวลามีการเอาเปรียบกันมีการประหัดประหารกันยื้อแย่งกัน ท่านบอกว่าเท่าที่ไปเห็นเนี่ยถ้าหากว่าใจไม่เข้มแข็งวางจิตเป็นอุเบกขาไม่ได้ก็จะทนดูสภาพของพวกเหล่านี้ไม่ได้เลยท่านได้บอกอีกว่าเรื่องอบบายภูมิตามที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพนั้นก็เป็นจริงอย่างนั้นและข้าพเจ้าได้ถามท่านอีกว่า เรื่องต้นงิ้วตามที่เชื่อถือกันมาว่าถ้าใครผิดศีลข้อกาเมจะต้องไปขึ้นต้นงิ้วนั้นจริงหรือเปล่าท่านได้ตอบว่าต้นงิ้วจริงๆนั้นไม่มีแต่พวกนรกที่ได้รับการทรมานจากการขึ้นต้นงิ้วนั้นมีและเท่าที่ท่านได้ไปเห็นมาคนไทยที่ขึ้นต้นงิ้วนั้นมีมากกว่าฝรั่งและคนชาติอื่น อันอธิบายว่าที่ว่าต้นงิ้วไม่มีนั้นเพราะเมื่อท่านไปดูท่านไม่เห็นต้นงิ้วเลยแต่ก็เห็นคนเหล่านั้นทำท่าปีนป่ายเหมือนกับขึ้นต้นไม้และเดี๋ยวก็เห็นเที่ยววิ่งซุกซ่อนท่านสงสัยจึงได้เข้าสมาธิกำหนดใจพวกนี้ดูว่าพวกเนี้ยทำไมจึงได้เป็นอย่างนั้นจึงได้เห็นมโนภาพที่เขาสร้างจากความเชื่อถือที่ติดไปตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์และจากสันดานชั่วรวมกัน และที่ท่านว่าคนชาติอื่นที่ขึ้นต้นนิ้วมีน้อยหรือเกือบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นั้นก็เพราะความยึดถือของเขาอย่างนี้ไม่มีแต่เขาเหล่านั้นก็ได้รับความทรมาในรูปอื่นพวกสัตว์นรกประเภทนี้ก็คือพวกคนบ้าประเภทที่ประสาทตาและประสาทหูสร้างภาพและสร้างเสียงขึ้นมาหลอกหลอนตัวเองจะแตกต่างกันก็เพียงแต่ว่าพวกสัตว์นรกนั้น ได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพวกมนุษย์ที่เป็นคนบ้าอย่างนั้นหลายเท่าท่านบอกว่าความยึดถืออะไรก็ตามที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดความทุกข์และที่มันฝังใจอยู่นั้นมีผลร้ายมากคนที่ทำความชั่วย่อมหมายถึงคนที่ยึดถือในทางที่ผิดสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีหรือสร้างความรู้สึกที่ผิดๆเอาไว้ในสันดานของตัว เมื่อวิบากของกรรมนี้ให้ผลในโลกของโอปปปาติกะนั้นมันออกมาชัดเจนและรุนแรงมากเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์เรากระทําสิ่งที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นถึงแม้ตัวเองจะเคยชินกล่าวคือสามารถทำได้อย่างสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนใจก็อยากเข้าใจว่าความรู้สึกที่เป็นวิบากที่เกิดขึ้นในสันดานนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่เยือกเย็น เมื่อสมองและร่างกายของเรายังดีอยู่สิ่งแวดล้อมยังดีอยู่ก็จะไม่รู้สึกว่าทรมานแต่ถ้าร่างกายอ่อนแอหรือเกิดเจ็บป่วยสมองและประสาทจะควบคุมไว้ไม่ได้เหมือนเมื่อตอนนอนหลับแล้วก็ฝันหรือคนที่เจ็บหนักจนจะตายความรู้สึกที่ไม่ดีที่ตัวเองทาไว้ที่ตัวเองสะสมเอาไว้มันจะมีผลออกมาทาให้คนนั้นได้รับการทรมาน เช่นทำให้ฝันร้ายทำให้เห็นสิ่งที่น่ากลัวได้ยินสิ่งที่น่ากลัวทั้งๆที่สิ่งที่เห็นและได้ยินนั้นไม่ใช่ความจริงแต่มันก็ทรมานไม่น้อยท่านบอกว่าการทรมานอย่างที่มนุษย์ได้รับนี้เมื่อนาเอาไปเปรียบเทียบกับพวกที่อยู่ในนรกแล้วจะต้องคูณด้วยสิบหรือคูณด้วยร้อยเพราะชีวิตในโลกของโอปปปาติกะนั้น ทุกอย่างเกิดจากใจจริงๆและคำว่าใจในที่นี้ก็หมายถึงวิบากซึ่งมีอยู่ในใจวิบากที่ว่านี้เป็นพวกจิตไร้สำนึกเพราะฉะนั้นในขณะที่มันสร้างภาพหรือสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาหลอกหลอนตัวเองนั้นคนๆ น, นั้นจะไม่มีทางรู้ตัวเลยว่ามันเป็นภาพมายาเขาจะเชื่ออย่างสนิทว่าเป็นของจริงและท่านบอกว่าเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์ สมมุติว่าเรานึกว่าไฟไหม้เราเราก็จะรู้สึกว่าร้อนแต่ความจริงเราจะไม่ร้อนเลยเพราะไฟมันไม่ได้ไหม้เราจริงๆแต่สําหรับคนที่ถูกสะกดจิตเมื่อพูดสะกดจิตเอาดินสอดำจี้ที่แขนแล้วบอกว่าไฟเขาผู้นั้นก็จะรู้สึกร้อนเหมือนถูกไฟจริงๆและในบางกรณีจะเห็นว่าเนื้อไหม้หรือพองขึ้นมาด้วย ท่านบอกว่าพวกสัตว์นรกประเภทขึ้นต้นงิ้วนั้นเป็นพวกที่สะกดจิตตัวเองและสะกดได้ลึกกว่ามนุษย์หลายเท่าเพราะร่างกายและประสาทของเขาเกิดจากอำนาจจิตล้วนๆเพราะฉะนั้นความคิดของพวกเหล่านี้ก็คือการกระทาจริงๆนั่นเองข้าพเจ้ารู้สึกว่าคำอธิบายของท่านฟังเข้าใจง่ายมาก และรู้สึกว่าไม่ทราบว่าจะหาเหตุผลอันใดไปลบล้างเรื่องที่ท่านเล่าเมือ น, นี้ว่าไม่จริงนอกจากว่าเราจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณสิ้นเลยท่านอธิบายอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาไม่มีฝอยหรือพูดอะไรให้เกินความจริงหรือเกินสติปัญญาของมนุษย์ดังที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไวน้นี้หวังว่าผู้อ่านคงจะรู้สึกกลัวนรกขึ้นมาบ้างซึ่งความกลัวนรกที่ว่านี้ก็คืออดตัปะ มันเป็นธรรมะคุ้มครองโลกถ้าหากบุคคลทั่วไปในสังคมสามารถเข้าใจถึงเรื่องที่ท่านอธิบายได้ฟังดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีคนกลัวบาปมากขึ้นและโลกของเราก็คงจะดีขึ้นกว่านี้อีกมากเรื่องนรกเท่าที่บันทึกมาให้ฟังนี้ยังไม่หมดยังมีอีกหลายแง่หลายมุมที่ท่านการุณาเล่าให้ฟัง ซึ่งเมื่อฟังท่านแล้วก็ทําให้ข้าพเจ้าอดรู้สึกสลดใจไม่ได้เพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่านักศึกษาสมัยปัจจุบันมักจะคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดและมักจะเห็นว่าคําสอนในทางาศาสนาคล้ำคลื้ไม่มีเหตุผลและที่ข้าพเจ้าสังเวทใจมากที่สุดก็คือผู้ที่ได้มีโอกาสบวชเรียนมีความรู้ภาษาบาลีดีแต่ก็ยังมีบุคคลในกลุ่มนี้กล้ายืนยันว่าเรื่องนรกและสวรรค์ พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่เป็นเรื่องที่อาจารย์ในทางพุทธศาสนาเขียนขึ้นในภายหลังด้วยการลอกแบบมาจากศาสนาพราหมณ์และที่ต้องทำก็เพราะเห็นว่าเป็นอุบายที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเราละชั่วทำดีส่วนความจริงแท้แล้วไม่มี ในฉบับต่อไปข้าพเจ้าจะได้นำคําบอกเล่าของท่านครูบาสรีวิชัยเกี่ยวกับเรื่องเมืองนรกมาเล่าให้ท่านฟังอีกสำหรับในฉบับนี้ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนทิ้งท้ายคนที่ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนละจากโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนเมื่อนึกว่าเราได้ทาบาปไว้ก็เดือดร้อนเมื่อไปสู่ทุกขติแล้ว ย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าพุทธพุททะะทท ธ, ท, ธทธ้าธาดหาในควมจริงี่เป็น ได้มาเพราะเธอจะม้จะดีมันอยู่ที่รู้ว่าเธอนั้นเองอย่ากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทงของเธอในคิดในใจอาจคอยสมพลไร้ไร้อาจลึกลับเสมอนคง การส่งผลของกันไปทำอะไรทำดีหรือไรผลมันคือกัน